พระธรรมเทศนาแผ่นที่100ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6พฤศจิกายน2559มีชื่อเรื่องว่าดีต่างกันคัดสรรด้วยปัญญาอา้าวลูกหลานอยู่ในความสงบ มีอะไรหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หกพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้มาร่วมกันทําบุญแล้วก็ขาดไปหลายคนเมื่อวานนี้ก็ขาดไปหลายคนวันนี้ก็เห็นขาดเพราะว่า พวกเราไปทำบุญวัดต่างๆเพราะชว่วงนี้เป็นช่วงกระถิน่นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานนี้ mm hmm. ต่างคนก็ต่างมีญาติโก้โหติกาพี่น้องไปทอดกระถิน่นตามวัดต่างๆพวกเราก็ต้องไปช่วยกันทําบุญแต่ถึงยังไงที่วัดของเราก็ผ่านไปแล้วละ่ะแล้วก็วันกระถิ่นก็ วันเดือน12บสองเพนเป็นวันสุดท้ายของกรถินในพุทธศาสนาต่อไปถ้ า, าว่าใครจะจัดใหญ่ขนาดไหนถาวายมากขนาดไหนก็เป็นเพียงผ้าป่ากรถินมีกำหนดหนึ่งเดือนออกพรรษาเพราะนั้นต่างคนก็ต่างร่วมวันรวมกันทอดกรถินสา ม, มัคคีุปแล้วก็คือส่วนหนึ่งก็ เพื่อหาทุนให้กับวัดวาศาสนาเพราะพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพุทธต้องให้การสนับสนุนบริษัทบริษัทจะอยู่ได้ก็ต้องคนในบริษัทให้ความสำคัญถ้าหากว่าคนในบริษัทไม่ให้ความสำคัญบริษัทนั้นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน ผลในสุดพังทลายในที่สุดนี้ก็เหมือนกันเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัท เ, เราก็ช่วยๆกันดูแลบำรุงพระพุทธศาสน า, าถ้าจะอีกพวกอีกพูดอีกแบบหนึ่งก็เหมือนกับว่าพระอยู่ในวัดไหนได้เปรียบแต่ตามไม่จริงให้พวกเรามาบวชสเิเพื่อไม่ให้เสียเปรียบกัน พวกเราก็บวชไม่ได้แต่พระในวัดอยู่ในวัดท่านเป็นผู้เสียเปรียบเป็นผู้เสียสละทุกอย่างขนาดผมอยู่ในหัวของท่านก็ยังโปลงทิ้งถ้าชาวบ้านเขาใช้เพชรนินจินดาป ร, ดประดับตกแตง่งแก้วแหวนเงินทองผ้าก็หลากสี แต่พระใช้ผ้าสีเดียวผืนใหญ่ต่างหากไม่ว่าไปงานไหนแหงานมงคลงานอภะอวะมงคลงานแต่งางานงานศพก็ใช้ผ้าสีเดียวอยู่องเดียวฉันมือเดียวมีแต่แนวถ้าจะคิดแล้ว ม, มีแต่เรื่องเสียเปรียบพวกชาวบ้านทั้งนั้น เพราะนั้นเราที่พ่อท่านเสียสละมาบวชในพุทธศาสนาพวกเราทำไม่ได้เป็นคณะคณะศรัท ธ, ธาญาติโยมเราจึงได้นับถือพระพุทธศาสนานับถือพระนะแล้วก็วันนี้คณะทรัพย์สินลูกหลานคณะลูกหลานทรัพย์สินส่วน พ, พ, พระมหากษัตย์ที่ได้มาปฏิบัติธรรม มาคืนที่สองผ่านไปแล้วสรุปแล้วก็คือสองคืนสามวันวันนี้กับพวกเราคณะลูกหลานก็จะได้กลับและรวมสามสิบคนชื่อโครงการกลุ่มพลังปัญญาเริ่มโดยห้าภาคีได้แก่มูลนิธิมั่นพัฒนากองทัพ บ, บกเอสซี G, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และทกเทคโนโลยีแห่งชาติ และห อ, อการค้าไทยอันนี้ก็คือกลุ่มพวกเรากลุ่มหัวหน้ากลุ่มชั้นปัญญาชนแต่ควรจะได้เอากุณธรรมสินั้ ร, รจริยธรรมเข้ามาสู่จิตใจของพวกคณะของพวกเร า, เาขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน เ, าเมื่ อ, อามาอบรมหรือว่ามาทัศนศึกษา หลวงพ่อเองก็ไม่คิดว่าพวกเราจะได้เห็นของดีทุกอย่างในวัดของหลวงพ่อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็มีไม่ว่าไปนักสถานที่ใดแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็ต้องเลือกสรรเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์อันไหนที่เป็นประโยชน์เราก็เอาเอาอย่างนั้นเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาที่มาดูคงจะไม่เสียทั้งหมด แล้วก็คงจะไม่ได้ดีทั้งหมดเหมือนกับแมลงผู้แมลงพึ่งที่มันฉลาดมันไปเอาแต่เกสรดอกไม้ที่เป็นประโยชน์กับรวงรังของมันเมื่อได้เกสรแล้วก็เอามาบำรุงบ ำ, บำรุงรังของมันแต่ถ้าว่าพึ่งงานที่มันโง่ มันก็คงจะไปแทะเอาเปลือกไม้กิ่งไม้แห้งๆเอามาใส่รังก็ทำให้ลกลกรังเฉยๆแต่ถ้าพึ่งฉลาดมันก็ต้องเอาของที่มีประโยชน์ต่อรังของมันนี่ก็เหมือนกันพวกเราไปในสถานที่ต่างๆไปต่างประเทศก็ดีไปศึกษาเราก็ต้องไปเอาของดีๆของเขามาใชใ้ให้เกิดประโยชน์ แต่บางครัง้งบางคนหลวงพ่อเห็นลูกหลานของเราสมัยก่อนไปศึกษาพอต่อมาพหลังเขาทำอะไรก็ทำตาม ฮ, ปป ฮ, ปปฮิปปี้ก็เลยไปเรียนเขามาหมดเอามาเข้ามาแปลว่าเอาขยะเข้ามาในประเทศชาตินี้ก็เหมือนกันเราไปนสถฐานที่ใดเราต้องใช้สติใช้ปัญญาต้องใช้การเลือก เลือกสรรทุกจริงทุกอย่างมันต้องเลือกทั้งนั่นแหละอย่างพุทธศาสนาอย่างพวกเราเข้ามาเนี่ยศาสนาทุกศาสนาดีด้วยกันทั้งหมดแต่จะให้ดีทั้งหมดนั้นเราต้องวิเคราะห์มันต้องมีต่างต่างกันรถทุกคันที่วิ่งในถนนดีทุกคันแต่ว่า อันไหนดีกว่ากันมันต้องมีมีดีกว่าราคามันแพงกว่าเงินทุกสกุลมีคุณค่าแต่ว่าทำไมเอามาใช้เงินกระดาษเหมือนกันทำไมมีคุณค่าต่างกันต้องมีคุณค่าต้องมีเหนือกว่าสรุปแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างคนทุกคนดีหมดดีคนดีแต่ดีมากน้อยต่างกัน คนแต่ละคนมากต่างกันอย่างพระคงเหมือนกันพระในพุทธศาสนาในยุคที้สมัยนี้ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวเป็นผู้ในความในสายตาของหลวงพอ่อเป็นพระท่านผินผู้รอบครอบที่สุดได้ทั้งคดีโลกและคดีธรรมคดีโลกท่านก็ช่วยประเทศชาติหาทองคำเข้าคลังหลวงถึง13ามตัน หาได้ที่ไหนพละอยู่ในป่าดวงพงไปแล้วก็หาทองดอลล่าเขาอีกได้สิบกว่าดอลล่าแต่ลูกหลานบางคนก็บมองมุมอีกมุมมองนึ่งเออใช่เลยซิลงตามมาหาบัวเอาเงินคนอื่นทองคนอื่นเข้ามาไว้ในคลังหลวงไม่ใช่เงินตัวเองแม้แต่หน่อยเดียวออแต่ให้ตัวเองหาดยสิคนที่พูดหาดูสิ ไปแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้คนอื่นให้เกิดศรัทธาจะหาทองอย่างที่ลงตานี่ทำได้ไหมตัวเองก็พูดไม่ได้อีกพอไปพูดไปมีแต่เขาจะเอากล่องแขนใส่แขนให้เท่านั้นแ่ะค้อนตะพด อ, อีกต่างหากนี่แหละอันนี้มันพูดมันพูดได้แต่เราก็ต้องรู้จักคุณค่าต้องเหนือกว่าพูดที่เหนือกว่าเหนือกว่ายังไงนี่แหละคนมันต่างกันเพราะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่ต้องเลือกพราเราต้องให้เลือก อ, อย่างพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็เห็นผู้บวชก่อนก็มีตั้งเยอะแยะแต่ท่านก็เลือกโมกคลากระสาเรบุตรเป็นอัครสาวกของท่านเลือกพระอานุ์เป็นพุทธอุปถากแต่ถ้าขนาดพระพุทธเจ้าท่านเต็ง ตัดสรุปเป็ ils, ounds, <ao S 1> นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านยังเลือกเพราะฉะนั he er he er ้นสิทธิมนุชชนก็เหมือนกันสิทธิมนุชชนเราจะไปตีเสมอกันก็ไม่ได้ในคนทํางานสิทธิมนุชชนก็ว่าเสมอกันเห็นคนในถนนกออกมาทํางานด้วยกันสิเป็นยังไงทําไมมาคัดสรรทําไมมาสอบทําไมมาเลือกทําไมอันนี้มันก็ต้องเลือกอีกเหมือนกัน พอในโลกในโลกต้องเลือกนะ เ, เลือกว่าดีใครดีกว่ากันเหนือกว่ากันมีสติปัญญารอบคอบมีน้ำใจต่างกันนี่แหละอันนี้หลวงพ่อพูดเป็นกลางนะไม่ได้เข้าข้างนู่นข้างนี้อย่างพุทธศาสนาก็เหมือนกันศ า, าสนาศุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีใช่แต่ว่าต้องวิเคราะห์ดูว่ า, ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไร เหนือกว่ากันอย่างไรอันนี้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาวิเคราะห์นะเราจะรู้ได้เหมือนกับเงินหรือรถในถนนทําไมรถวิ่งใดเหมือนกันทําไมล้คุณค่าราคาจึงต่างกันนี่แหละมันบอกอยู่ในตัวเสร็จนะเพราะฉะนั้นสองทุกเสิยงทุกอย่างก็เหมือนกันการเลือกครบการครบค้าสมาคมเป็นหน้าที่ของผู้มีปัญญาพุทธศาสนิกชน พระพุทธเจ้าท่านสอนออออดูก่อนสารีบุตรที่ตถาคตพูดไปนี่ตรัสไปนี่เธอเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าข่าเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติยังไม่ได้นําไปกันกรองให้ทีถ่วน เ, เสียก่อนข้าพระองค์ยังไม่เชื่อเนี่แหละสงทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ฟังอะไรออกมาแล้วอย่าเพิ่งเชื่อต้องนําไปปฏิบัติ การกรองให้ดีซะก่อนเอาท่านสรีบุตรเป็นตัวอย่างอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะสรุปแล้วคือเท่นให้ท่านให้ใช้ปัญญาใช้ความรอบครอบในการเป็นอยู่เพราะนั้นลูกหลานทรัพย์สินก็เหมือนกันการที่จะทําอะไรการที่จะคิดอะไรการที่จะนับถืออะไรการที่จะเชื่อถืออะไรเราจะไป คนโบราณถือมาแล้วก็ถือไปแต่คนที่น่าเชื่อถือได้บอกเราเราก็เชื่อไปไม่ใช่ขนาดพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นอาจารย์ของท่านสารีบุตรที่เคารพอย่างมากแต่พระองค์ตรัะมาพราะสารีบุตรยังแบ่งรับแบ่งสู้เพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาพานให้ใช้ปัญญาในการวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับ พวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทคนในชาติชาติไทยของเราแต่ทุกวันนี้ เ, เราก็บอกวัวนนในคิงคิงหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินในโลกที่พวกเราเกิดมาในยุคนี้เราก็บพระบาทสาเร็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่เป็นผู้ทรงคุณธรรมเป็นผู้เลิศประเสริฐมองไกลกว่าบรรดากษัตร์ ที่เราอที่เห็นเห็นแลยพระเจ้าแพ่นดินทุกพระองค์ตั้งตอตั้งแต่รอหนึ่งถึงรอเก้าแต่มีคุณค่าทุกองค์แต่จะให้เสมอกันก็คงเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันอพระองค์ท่านกา็แต่พระปิชาสามารถของแต่ละองค์ต่างกันแต่พระบัตรสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามองไกลนะหลวงพ่อว่านะ โครงการพระราชดำริของพระ อ, องค์มากมายมหาศาลทีเดียวคนคนเดียวทำได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาแต่เมื่อพระ อ, องค์ยังทรงพระชนอยู่พระ อ, องค์ก็คงจะท้อพระไทยเหมือนกันนะดุงพงดุงพ่อทราบว่าวพระ อ, องค์นั่งรถเข็นมาอทอดพระเนตรที่แม่น้าเจ้าพระยาในสลาเอทำไมคนเขาจึงเกียดชังเหล่านัก เราได้ทำอะไรให้กับเขามีแต่เราทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาโดยตลอดเขาทำไมเขาจึงเกลียดชังเราเขาเกลียดชังเราด้วยเหตุอันใดนี่อันนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เราก็เห็นในหนังสือพิมพ์สรุปแล้วก็คือพระ อ, องค์ก็น่าจะคิดอย่า ง, งานั้นเหมือนกันพ่อปองหูกว้างตาสว่างรู้หมดทุกอย่างแต่ผู้ที่ไม่รู้จักความนะพ่อแม่ไม่สอนนะ นั่นแหละมองไม่เห็นคุณงามความดีของพระ อ, องค์ท่านแต่ทางจริงพระ อ, องค์ท่านทำคุณอุปการให้กับประเทศชาติมองไกลทุกอย่างทั้งมองทั้งชาวเขามองอะไรต่อไม่อะไรโครงการ เ, าเสียสละให้กับประเทศชาติเป็นเวลาถึง70ปีนี่แหละอันนี้คือผลงานของพระ อ, องค์ท่านาดูสิสมัยก่อนพวกเรายังเป็นเด็ก พระ อ, องค์บอกว่าประเทศชาติชาติไทยของเราเนี่ยมีแต่ตัวนําดำๆเด็กๆแกลนเพราะไม่มีนมกินท่านยังไปติดต่อประเทศเดนมาร์กไปขอนมจากเดนมาร์ก เ, เขาก็ถวายท่านมาแม่โคนมจากนั้นก็ทั้งเอามาเลี้ยงโคแดงแล้วคมโคหนองโพนะเะเพื่อให้เด็กได้กินเด็กทุกวันเห็นไหมมีแต่ตัวโตๆขึ้นมา เ, เด็กรุ่นใหม่ ที่พวกเราเห็นลูกหลานของเราเนี่ยมีตั ว, ต, วตัวใหญ่ๆสูงๆทั้งนั้นเลยต่างจากพวกเรานี่่แหละอันนี้พระองค์มองไกลพระองค์มองพระองค์มองได้อย่างไรสมัยนั้นนะแล้วก็พร้อมกันอีกเนี่ยนะท่านไปเห็นไปที่ประเทศไหนแต่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติท่านก็ไปเห็นปานินอีกไปขอปานินจากญี่ปุ่นมาทั้งญี่ปุ่นเขาก็ถวายท่านมาท่านก็มาเลี้ยงทุกวันในปานิน แต่พระองค์ไม่สวยปลาเนินท่านบอกว่าท่านเป็นคนออกมาแล้วออกมาก็เหมือนกับลูกหรือเหมือนกับที่เป็นอนนั้นออกมาเอามาแล้วก็จะมากินเขาเนะี่ยสวยเขาเนะี่ยไม่น่าจะถูกนะีดูสิท่านมีน้ําใจถึงขนาดนั้นแหละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ลึกซึ้งมากที่หลวงพ่อมองดูใ น, ในหลายๆมุมที่พระองค์ท่านทําคนูประการให้กับชาติบ้านเมือง สมัยไหนบ้านเมืองปันป่วนท่านก็เรียกเข้ามาอย่างสมัยนะั้นท่านจำลองกับท่านประยูนคาพิสุจินดาคาประยูนท่านก็สอนถ้าพวกท่านทั้งหลายชนะนะแต่ประเทศเป็นผู้ย่อยยับพวกท่านต้องคิดให้ดีนะี่ท่านเอาคําพูดไหนคาพูดไหนมาตรัสมาพูดทุกคนก็ต้องยอมสยบใช่ประเทศมันย่อยยับนี่แหละ อันนี้คือพระ อ, องค์ท่านทำโขนูประการให้กับชาติบ้านเมืองชาติสรุปแล้ว ก, ก็คือเนี่แหละเราก็ต้องเชิดชูจกย่องว่าต้องเลือกเลือกว่าพระ อ, องค์เป็นผู้เลิศเป็นผู้มีคุณค่ามีประโยชน์ต่ อ, อลูกหลานสมควรยิ่งเป็นร่มโพร่มใสของพวกเราเป็นร่ศพเป็นร่มโพร่มไสสงพระศพในก่อนถ้ามีอย่างพระ อ, องค์ ปกป้องประเทศชาติแต่หลวง พ, พ่ออยากจะให้พระองค์หนุ่นมแล้วเกิดในช่วงที่เสื้อเหลืองเสื้อแดงนะแต่นี่เสียแต่พระ อ, องค์อายุมากแล้วไม่รู้จะทำยังไงลูกหลานทะเลาะกันมีจะทำตาผิดๆเท่านั้นเอง เ, อเหมือนกับองค์หลวงตางมหาบัวของเราเนี่ยโครงสุดท้ายเนีเ่ยแย่ๆไล่คนนั้นไล่คนนี้ท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงอายุตั้งท่าเก้าสิบกว่า ท่านก็มองตาผิดๆผิดๆ่เออออเท่านั้นเองเ อ, เอท่านก็คงยิ้โอ้อยากจะให้ข้ายัางหนุ่มเลอเกินฮะอข้าจะปราบพเนราบคาบพวกนี้หลงพ่อว่านะเอโคงสุดท้ายของหลวงตาลูกหลานที่หลวงพ่อพูดคงจะไม่เกินเลยนะฮะแต่หลวงตาเนยเมื่อหมดคล า, ายๆกับว่าหมดแรงที่จะพูดนะ เอออันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะเอ่อเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราในฐานะลูกหลานเหลนทั้งหลายคนในชาติเมื่อพระองค์สวรรคารายใหญ่อยู่ในบรมโกศไกรพวกเราเป็นคนดีสรุปแล้วแต่นี่ให้คิดดีทดําดีพูดดีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราต้องเป็นคนดีในขณะที่พระบรมศพยังได้ยังไม่ได้ถวายพระเพลิง ลูกหลานทุกคนควรจะสำนึกว่าข้าพเจ้าจะต้องเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีจะไม่ให้ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ไม่ให้ผิดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมใ ห, ใ, หให้รักกันคนในชาติให้มีเมตตาต่อกันมีน้ำใจต่อกันขโมยโพยโจนอย่าได้มีอย่าลังได้มีการลังแกเบียดเบียนกัน ให้เป็นคนดีด้วยกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งวงศาคณาญาติญาติาตมิตรสหายทุกคู่ทุกคนให้เป็นแนวความคิดเดียวกัน เ, เพื่อเอาคุณงามความดีบูช า, าพระคุณของอพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จเมื่อพระองค์สิงสถิตอยูนะ่ณสวรรค์ชั้นใดภพภูมิใดถ้าเห็นพระศกนิกรของพระองค์เป็นคนดีพระองค์คงคงจะปลื้มปีติในจิตใจเหมือนกันนะ แต่ว่าพวกเรามีการทะเลาะเบาแวงกันเมื่อพระองค์สวรรคตรไปแล้วพระองค์ก็คงไม่สบายพระไทยเหมือนกันเพราะในหลักของพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดนะวิญญาณนี่วิญญาณนี่รถคันนี้หมดสภาพรถคันนี้หมดสภาพจากนั้นวงวิญญาณก็ออกจากร่างไปออกจากร่างคือออกจากรถไปคือโซเฟอร์จะออกจากรถไปแต่ก่อนที่จะออกจาก รถไปโซเฟอร์คนนั้น่ะมีเงินในกระเป๋าหรือเปล่าได้มีบัตรเครดิตหรือเปล่าได้ทำเอาเงินไว้ในธนาคารฝากฝังไว้หรือเปล่าแต่ถ้าว่าพวกเราออกจากรถคันนี้ไปแล้วน่ไม่ได้คิดเมื่อเมื่อ ย, ยังมีชีวิตอยู่มีแต่เที่ยวตะลอนตลอตลอนกินเหล้าเมายาสุรานารีพาชีกีฬาบัตรสิ่งที่มันชั่วขนเข้ามาหาตัวเองทั้งหมด เมื่อตายไปแล้วนะ่ยไม่มีบุญคนไม่มีบุญก็ตกต่ำเลยแต่พระองค์ท่านสร้างแต่คุณงามความดีเมื่อพระองค์ท่านสวรรคตไปแล้วนะพระองค์ก็จะต้องได้สวยบุญคุศลนะเป็นเพื่อนสองของพระองค์พระองค์จถิงจะติดอยู่ณที่ใดทินใดพระองค์ก็คงจะมีความสุขกเกษมสําราญทุกแห่งที่พระองค์ได้ทรง ไปในภพภูมินั้นๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพวกเรากนะ็ถึงจะรักถึงจะรับผิดชอบขนาดไหนก็ตามอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดก็เหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราถึงท่านจะรักประเทศชาติบ้านเมืองทําคุณอุปการให้กับประเทศชาติขนาดไหนแต่อีกสักวันหนึ่งถึงข่าวนถึงจุดจบ พระ อ, องค์ก็ต้องได้ทิ้งทั้งหมดอย่างพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันบรมมครูของพวกเราต้นาศาสนาต้นาศานสนาเมื่อพระ อ, องค์ประกาศพระาศาสนาอายุ80ปีพระ อ, องค์ก็ได้ปรินิพานทิ้งทั้งหมดอีกเหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายเป็นใครจะอยู่โชฟ้าดินสลายอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ให้ถามตัวเองให้มองตนเองเหมือนกันอันไหน คุณงามความดีอันไหนคือดีรู้ไหมดีถ้าเป็นดีแล้วก็ควรจะเอาความดีเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราดันละเลิศประเสริฐสิ่งที่มันชั่วอย่าทําถ้าทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะลูกหลานทุกคนนะพระเนรทุกองนะศรัทธาญาติโยมทุกโม่เราตลอดถึงหลวงพ่ออินด้วยนะก็ให้ประกอบคุณงามความดีด้วยกันทุกคนนะจะร่มเย็นเป็นสุขสุกกายสุขใจตลอดไป หาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร